ท, ที่ผ่านมานะก็ได้พยายามเร่งทําหนังสือเพื่อจะแจกในงานวันที่หกดีนะที่จะปร่งศพหลวงพ่อที่จริงก็เตรียมมาตั้งแต่สามสี่เดือนที่แล้วนะพอหลวงพ่อท่านบอกว่าป่วยคราวนี้คงไม่หายนะตายแน่พวกเราก็เริ่มนะตากเตรียมกันละทาหนังสือเพื่อที่จะถวายท่านในในงาน โนะปรงศบซึ่งตอนนั้นก็ไม่ร่วมเมื่อไหร่ระหว่างที่เตรียมเนื้อหาก็ได้ค้นหาภาพที่จะใช้ประกอบหนังสือก็ดได้เห็นภาพเก่าๆนะซึ่งสมัยนี้หาดูได้ยากแล้วนะภาพหลวงพ่อสอนเด็กเล็กที่ทำมาไฟเมื่อปีสองหนึ่งภาพหลวงพ่อนั่งนั่งชันนะ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 สมัยโน้ตเนี่ยมันเป็นภาพที่แสนจะธรรมดาสา ม, มัญ น, นะไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่เพราะมันเป็นกิจวัตรประจาวันของหลวงพ่อหรือว่าของพระในวัดแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นภาพที่มีค่ามากความมีค่าสุนก็คือว่ามันเราหาภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วแล้วความมีค่าของภาพเหล่านี้สุ่นก็คือมันทำให้ได้เห็นประวัติความเป็นมานะของหลวงพ่อก็ดีของ วัดป่าสุกโตก็ดีแม้แต่สะพานนะที่ทำกันอย่างง่ายๆตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วนะแต่มันก็ทำให้เห็นว่าสมัยก่อนเราก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากนะแม้กระทั่งไม่ใช่ใกล้ชิดแต่ต้นไม้อย่างเดียวนะอย่างใกล้ชิดกับสะด้วยนะเอาเท้าหยาบไปสักหน่อยก็ถึงน้ำละ เดี๋ยวนี้นี่สะพานมันสูงยิ่งหน้านี้นี่สะพานมันสูงดูเหมือนสะพานมันสูงมากแต่สมัยก่อนนี่เดินไปโดยเพราะหน้านี้เนี่ยเอาเท้าใหญ่น้ําได้เลยนะมันก็เป็นความใกล้ชิดธรรมชาติอีแบบหนึงซึ่งหาไม่ได้และในเวลาเดียวกันก็เสียดายนะว่ามันมีภาพหลายภาพที่ควรจะถ่ายเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครถ่ายเช่นภาพคนที่ขึ้นเขาสมัยก่อนนี่มันไม่มีถนน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 ผ่านไปยี่สิปีสาสิบปีมันจะมีค่ามากแต่วันนี้เราเห็นว่ามันธรรมดาอันนี้ก็ทําให้ได้ได้ได้ข้อคิดนะว่าไอ้สิ่งที่ธรรมดาธรรมดาเนี่นะมันสามารถจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาได้มันกลายเป็นสิ่งที่มีความสําคัญขึ้นมาได้หลายอย่างไม่ต้องรอให้เป็นให้เวลาผ่านไปไม่ต้องรอให้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 สามารถที่จะส่งจิตไปสวรรค์ลงนรกได้หรือว่าดำดินบินบนได้ น, นี่ใายๆก็ว่ามันแปลกนะไอการที่ยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวยังมีสตินี่มันธรรมดามากเลยแต่ว่ามันเป็นความไม่ธรรมดานะส่นติณธนท์ตนนะ้บอกว่าการเดินบนพื้นโลกเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์นะไม่ใช่การบินไม่ใช่การเหาะ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 เกิดขึ้นจากการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าวันวันท่านทําอะไรพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าก็ยืนเดินนั่งนอนนะอันพรามณ์ก็แปลกใจว่าแค่นี้เองหรือนะไม่มีอะไรพิสดารเลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนก็จริงแต่ว่าเราเมื่อยืนก็รู้สึกตัวเมื่อ น, นั่งก็รู้สึกตัวเมื่อเดินก็รู้สึกตัวเมื่อมองก็รู้สึกตัวนะคนที่เรียกว่า